ิเมโคปนาตสมมตโตเตรสะสังคาดิเซสะธมาอุเดสะอังกัชันเตสัเจตนิกสุกวิสัิอัญญัตราุปินันตาสังคาดิเซโซโยปนาภิกขุโอติโนวิปรินโเตนะจิเตนะมาตุกาเมนะถิงคายะสังสังังสมาปเจยะอัตถะหังวาเวนะหังวาอัญญัตราชัวาอัญญัตราชัวอังกตปรามะสนังสังคาดิเซโซโยปณาภิกขุโอตินโนวิปรินโเตนะิเตนะมาตุกามางตุทนลหิวะจาหิโอภาสยะยะาจังยุวายุบะติงเมตุโนปัตถ โยปันติคุโอตินนวิปรินเทนักิเตนัมาตุกามตักันติเกะอัตกามาริจาริยายักวันมังหานียเอตัดงังภะกินิปริจาริยานังยามาดิสังตีละวันตังคันยานธรรมมังบรามจาริงเอเตนักธรรเมนะปริจเทยาติเมทุโนปัสสนิเตนังหาิเซโซโยปันติคุสัจริตังสมาปเจยัอิทิยาวาปุริตามติงุริตาตว่าอิทิมาติจายตเนวาจารตเนวะอันตมโสตังคันไมกาจพิสังหาดิเซโซ สัญยาติกาจัปปิคุณาคติงการยะมะเนนะจตัมิคังอตุเดชังพมาณิคากาตตริดังพมานังดิคสว่าาทิโสุตาิยาติริยังสตันตรพิคุอวิเนตบาวัตุเดสนายเดหิพิคุหิมตุงเดเซตมังอานารัมพังตะปริกามานังสารมเพเยพิุวัตุเตมิงอัปริกามเนตันยาติกาจกคิงการยะพิคุวะนาพิเนยวัตุเดสนายพมานังวอติกามยตังขาดิเโมหันลักัมปนาทิคุณาวิหารังการยะมะเนนะ อภินตบาวัตุเดสนายะเดชิภิกุัตุงเดเสตบังอนารัมพังสปริกมณังอารัมเพจิกุุตุสเงปริกะมณีมหันลังวิหารังการิยะภิกขวะอภินยะตุเดศนายสังคาดิเจโซโยปณะภิกุภิกุงดุษโโดโซอปตติโตมูลเกนะปะตาจิเนมนะอนุทังเตียะเปวิวนามณังอมํัมะบรหมจริยาาเวยันติเตตอเเรณสมเยนมุกาหิยามานวะมนุกาหิยามานวอมูลกันเจาตังอธิกรนองโหติภิกุจดโศสังปฏิภา สั้งค่าดิเทโซโยปะะพิุพิคุทโธโโซอภัโตอัญญภกิจาอธิกรนนทกินจิเตังเลสมัตังอุปาดายะปาราจิเกณัตเมนะอนุทังเตียอเปวนามานังอิมมาบรหมกริยาจาเวยันติตอเรณสมเยนะสมนุกกายะมาโนวาสมนุกยะมโนวาอัญญภะกิยันเจวตังอธิกรนนทโธติโกจิเตโซเลสมัตโตอุปาดินโนพิคุจะโดสังปิภาติสั้งคาิเทโซ โยปนะพิคุสมังกัตตังขัตตาเพดายะปะระกามิยะเหดนะสั้งวัตนิกังวาอธิกรนังสมาดายะปะไกยะอธิมาิยะโสพิคุพิคุหิเอวามัวัจยโมาอัตมาสมังกัตตังขตาเพดายะปะระกมิเดนะสั้งวัตนิกังวาอธิกรนังสมาดายะปะไหะอัตภาพะสเมตายัตมาสังเขนะสมงโกลิสังโฆสมโมดามโนอวิาโนเอกุเดโซภาสุวิหรติเตเอปัญจโสพิคุพิคุหิวุจมานโอตเทบาปะกรณียะโสพิคุพิคุหิยาวัสติยังสมนุปาติต ตัศพัตย์เป็นอินตร์กายะญาวัตติันเจสมานกภัสยามโนตังปัตยาติตเจญาอิเจตังกุตังโนเจปัตานิตเจญาตังข้าดิเทตัว ตเชว่าโคปณะพิคุตนะพิคุห่อนติอโนวัตกามะเกวานาคาเอกวาเนเววาตะโยวาเตเอวังมดยงมาอายัตมันโตเอตังพิคุกินจอวัจุตถธรมมาวดีเจโซพิคุวินัยะวาดีเจโซพิคุอัมหากันเจโซพิคุชนดันจะรุจินจะอาดาจาโหรติจานาติโนภะสติอัมหากัมเปตังกมติเตเตพิคุพิคุหิเอวังมสุวัจียะมาอายัตมันโตเอวังอวัจุตถานาเจโซพิคุธรมมาวาดีนาเจโซพิคุวินัยยะวะด ตนังตังเทนะสมงโงหิสังโคสมโมดาโนอวิัติมานโนเุเดโภาสุวิหรตเตเอวันเตทิคู่พิคู่หิวุมานาตาเทวะปัันทรยุงเอพิคู่พิคู่หิยาวตติยังสัมโนพาสิตัมบาตาสะปันิสังยายะวัตติยังเจสัมโนพาสิยะมานาตักระนิจยุงอิเจตังกุสละโนเจตะนิเจยุงสังหาดิเซตุนพิคุปเนวะดุปะจัจจาติโกโหติวุเดตัปปิยาปเนสุติฆาปเนสุพิคุหิ ยมันโตกินอาวัจุตกันยานังวะปาปังวะอหมปายมั่นเตนกินจีวะฆ่ามีกันระยานังวะปาปังวาวิระมาธายมันโตมาวจนายาติโสภิคุภิคุหิเอวะมัสวัจณีโยมาอายมาอัตตานังวัจนียังอากาติวัจญียะเมวะอายศมาอัตตานังโรตุหายมาปิภิควะเดตุสหธรมเมนะภิคูภิอายมันตังวะขันติสหธรมเนะเอวังสังวัฏานะสะกะวะโตปรีฆาญดีดังอัญญะมัญญะวัจเนนะอัญญะมัญญะวุฒภาพ กันในยะโตปิคุปิคูหิยาวตติยังสมนุปาสตัมโบตตตะิงิัง伽ยะยาวตติยังเจสมานุปาสสีมาโนตังปจจิัจยะปิเตังกุศลังโนเจปัจจุิัจยะตังาดิโ พิคุปเนวะอัญญะตรัง g ม m ังวานิกะมังวาอุปนิสัาจวิหารติคุดูสโกปาปะสมาจารตัตโขปาปกาสมาจาราดิทันติเจบาสิยันติจกุลานิจเตนอุทหานิดิทันติเจบาสิยันติจกโซภิกขุภิกุหิเอบามะสวจนีโยอัจฉรโคคุรดูสโกปาปะสมาจารออัจฉรโตโคปาปกาสมาจาราดิันติเจบาสิยันติจกุลานิจยติสมากัดุทหานิดิทันติเจบาสิยันติจ ปะมายตมะอิมัมะอาวาจาออลันเตอิทาวะเนาเตเอันจัสรพิคุพิคูฮิวตจามโนเตพิคุเอวังวะเดยะชันดามิโนจัพพิคุโดสกามิโนจัพพิคุมโหะกามิโนจัพพิคุภะยะกามิโนจัพพิคุตดิิกายาอปติยาเอกัจจังปัมบาเจนติเอกัังนปัมบาเจนติติสุพิคุพิคุฮิเอวะมาตวัจะนยโยมาอายตมะเอวังอวะจะ นาจ่าพิคุชันดกามิโนนาจ่าพิคุโดสงามิโนนาจะาพิคุโมหะกามิโนนาจะาพิคุไผยะกามิโนอายตมะโคกุระดูสโกปาปะสมาจาโรอายตมะโรโคปาปะอาสมาจาลาดิทันติเจวะสุยัญติจะกุระนิจจายัตสมะตาดุทหานิดิทัณติเจวะสุยันติจะปะกามตายัตสมะหิมัมมะอวาซาลันเตอิทะวาเรนาเตเอวันจะโซพิคุพิคุหิวุจมาโนตเทวะปะกันใยะโซพิคุพิคุหิยาวะติยังสมโนผาติตัมโบตจะปะนิังกาย ยาวาตติยันเจสมนุภาพิยมานตังปัตนิจยอยอิเจตังกุตัลังโนเจปนิสจย์ั้งหาดิเทโสอุดิตภาคอาจสมันโตเตรรตสั้งหาดิเทสะธัมมานวปัติมาปฏิกาจตาโรยาวตติยักาเจสั้งพิกุอัญตตรังวาอันญาตรังวะอภิจิตวายาวาติหังจานังปัตตุชาเดติ ตาบัติหังเนะทิคุณาอกามาปริวัฏฐะบังปริวุธะปริวาเนะิคุณาอุตตริงชารตังทิคุมาณตายากตัิปจิตตบังกินมานานโตทิคุยิยารวีสติการโนทิคุสังโฆตัฏฐโสทิคุอภเพตัมโบเอเกนิเจวโนมีสติการโนทิคุสังโฆตั้งทิุอภเพยยโสจ่าทิคุอนัภิโตเดจ่าทิคุการีหะยังตัตาามิจตัทธตมันเตปุชามิปฏิทาริสุทธาดุติยมปิปุชามิปฏิทาริสุทธาตติยมปิปุชามิปฏิทาริ ยามั่นโตตัณฑ์าตุนมีเอวะเมตังธารยามิ